จบเสียงอ่านพุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่12บุพภาภของการศึกษาปรตโตโคสะที่ดีเท่ากับกัลยานมิตรขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้นิชามาโซภาหนงยาวดวงบ้านยางรัตนอาภาอโตหิรอบครัวอารีหนูกัญญนัดทองบุญกัญญานิ่มนวลชวสีสุพั ธ, ธรรมนัชาอภิวราวุฒสุรีพรศูนคลาย อัญชยาตติยาวัฒนาสิริเยาวมานขจรเกติคุณสมพรคำ ม, มุงคุณพุทษดีสีสวัสด์พยุงและเพลินพิษม่วงงามร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากรายละเอียดและเครดิตท้ายเรื่องขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสองค์ออกนามด้วยนะครับสัพพะธานังธรรมะานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอทุกท่านจเจริญในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไป อริยคุณพุทธธรรมจมรมพลดีธันวาคมพุทธศักราช2565